ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกของคนไข้ส่านสุนย์าติธรมก็อ่าอเป็นคนมาเยี่ยมไข้กันแล้วกันอ่าเรามาสมมุติกันเนี่ยผมเป็นคนไข้ญาติธรรมก็เป็นผู้ที่มาเยี่ยมไข้ผู้ที่จะไปเยี่ยมไข่คนใดคนหนึ่งเนี่ย ไปเยี่ยมใครก็ตามสิ่งแรกก็คือเราต้องหาข้อมูลดูซิว่าคนไข้เนี้ยเขาเป็นโรคอะไรมีอาการอย่างไรธรรมชาติส่วนตัวอุปสัยใจคอของคนไข้เนี่ยเป็นอย่างไรเช่นเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรผู้ที่จะไปเยี่ยมไข้ต้องเรียนรู้ แล้วก็พิจารณาดูให้ดีก่อนที่จะไปหาคนไข้คนนั้นประการที่สองก็คือเวลาไปถึงคนไข้แล้วเนี่ยต้องทำหน้าตาให้แจ่มใสเบิกบานอย่าทำหน้าซ้อมหมองหรือวิตกกังวลมันเป็นสิ่งไวอรอสที่ทำให้คนไข้เนี่ยเนี่ยมีความหมายนะถ้าหน้าตาเราแจ่มใสเบิกบานคนไข้ก็พรอยจะแจ่มใสไปด้วย ถ้าว่าเราทำหน้าตาวิตกกังวลเศร้าหมองเนี่ยคนไข้ก็เศร้าหมองไปด้วยเนี่ยเราผู้ที่จะไปเยี่ยมไข้เนี่ยก็ถือเป็นสิ่งเมื้อล้อมที่สาคัญมากแพรนั้นทำหน้าตาให้แจ่มใสเบิกบานเข้าไว้นะคือช่วยทาให้คนไข้เนี่ยสบายใจอันนี้มีส่วนช่วยได้เยอะเลย น, นี่ประการต่อมาอย่าชวนคนไข้คุยถามนู่นถามนี่ บางทีคนไข้ก็ราคาญนะเนี่ยถามเรื่องโู้เรื่องนี้คนไข้จะราคาญอย่างเช่นคําถามที่ไม่ควรถามเลยก็คือถามว่าวันนี้มีอาการเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีคนไข้ก็อึดอัดนะไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรบางทีก็เบื่อไอ้คําถามประเภทนี้ยอาการเป็นอย่างไรบ้างกินข้าวได้ไหมนอนหลับหรือเปล่าอะไร คนไข้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็ก็จะเบื่อคือตามปกติแล้วเนี่ยคุณหมอเขาถามอยู่แล้วเราไม่ใช่คุณหมอเราควรจะคุยเรื่องอื่นแล้วก็เราก็ต้องยกให้หมอเนี่ยพูดกับไข้ให้หมอพูดกับไข้แต่เราต้องพูดกับคนหมอก็พูดเรื่องกับเรื่องกับไข้ก็คือพูดเรื่องโรคภัยเกี่ยบต่างๆก็เป็นหน้าที่ของหมอ แต่เราต้องพูดกับคนพูดกับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่มีไข้ไม่มีความเจ็บป่วยคนปกติธรรมดาที่เราเคยคุ้นเคยกันคุยอย่างนี้ดีกว่าคนจะได้ดึงจิตดึงใจคนไข้ออกจากโรคไปไข้เจ็บซะบ้างหรือกำลังมีเวทนาทุกขเวทนาอย่างเงี้ยถ้าเราคุยกับคนไข้คุยกับคนเนี่ยหรือว่าเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยบางทีเขาก็ลืมนะอันว่าสนใจเราดึงจิตออกมาจากทุกขเวทนาได้เหมือนกันนะ อันนี้ก็สําคัญนะการชวนคุยเนี่ยก็อย่าคุยจกนกระทั่งมันจะ ว, ว่าแต่คนใกล้เลยคนฟังก็เบื่อหน่ายในยนี้ต้องหยุดเลยนะต้องเข้าใจนะดูบรรยากาศเราเล่าตัวได้ว่ามันสนุกสนานหรือมันน่าเบื่อหน่ายประการต่อมาเนี่ก็สําคัญนะเราไปเยี่ยมใครทั้งทีเนี่ยมันต้องเกิดประโยชน์สำหรับคนไปเยี่ยมด้วยไม่ใช่คนใกล้จะเกิดประโยชน์อย่างเดียว ต้องดูความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ยเยเห็นสัจธรรมของคนไข้ว่าอ๋อชีวิตเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไปเรื่องธรรมดาใครๆก็ต้องป่วยทางนั้นแหละอย่างคนไข้ที่เรากําลังมาเยี่ยมเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้แต่เดี๋ยวนี้เขาเจ็บเขาไข้แล้วเพราะเขาเจอกับความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนของสังขารร่างกาย ถ้าเราก็ต้องเปรียบเทียบกับตัวเราเลย ว, ว่าอ๋อเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันนะเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยสักวันหนึ่งเราก็จะได้มาพิจารณาดูตัวเรานะตอนหน้าคนไข้ที่เราไปเยี่ยมเนะี่ยพิจารณาดูในใจว่าอืสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บป่วยอย่างเนี้ยอาจจะหนักกว่านี้หรือเบากว่านี้ก็ได้ในเมื่อความเจ็บป่วยมันอยู่ใกล้เราแค่นี้วันใดวันหนึ่งเราต้องเป็น โรคใดโรคหนึ่งขึ้นมาเราจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่าอย่าประมาทเนี่ยสอนที่เราไม่ประมาทนะเราดูคนไข้เนี่เราจะเห็นว่าเราจะไม่ประมาทจิตใจที่กาลังทะเยอทยานอยากได้อะไรเนี่ยใจเราจะสงบลงทันทีเลยเนี่ยเอาคนไข้ข้างหน้าเป็นอนุสติเตือนจิตสกิจใจว่าเราก็ไม่ควรประมาทเพราะเราจะต้องเจ็บป่วยไปนี้เหมือนกั น, เ, นเราจะต้องศึกษาเรื่องชีวิตศึกษาเรื่องศัจธรรม มันทำความดีละความชั่วให้ถารักษาศีลที่งสกคันอืคือต้องรีบภาวนาต้องรีบภาวนายิงคนใข้ดีเขาภาวนาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะทำให้เราดูเป็นตัวอย่างก็ได้เขาจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ของเขาก็ได้เนี่ยหรือคนกล้ที่ไม่ได้ไปภาวนาเนี่ยไม่เคยฝึกจิตฝึกใจไปก่อนเลยเขาก็จะมีอาการอีกแบบหนึง่ง เราก็เรียนรู้ว่าเป็นตัวอย่างเพื่อมาใช้กับตัวเราเราต้องได้ประโยชน์ไปเยี่ยมไข้ทั้งทีต้องได้ประโยชน์ให้ได้มากๆว่าเราควรจะต้องปรับปรุงตัวเราหรือพัฒนาตัวเราอย่างไรไอเ น, นี่ยข้อเ น, นี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่จะไปเยี่ยมไข้นะสุดท้ายแล้วการที่เราไปเยี่ยมใครก็ตามที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราอย่าไปอย่าไปอยู่นานอย่าไปอยู่นานไปเฝ้าไป อยู่กับเขา น, านา้นๆบางทีเขาคนไข้เขาก็อึดอัดนะเขาต้องการจะมีเวลาเป็นของส่วนตัวจะได้พักผ่อนจะได้เปลี่ยนยาอีกเลียบทบางอย่างเนีเพราะฉะนั้นเราเราไปอยู่ที่แล้วเนี่ยคนไข้จะเกรงใจหรือคนดูแลก็พลอยลําบากใจไปด้วยอย่าไปอยู่นานพอสมควรเก็บเวลาแล้วเราก็ควรจะกลับนะเนี่ยกลับบ้านอย่าไปเฝ้าคนไข้เขาจะลําบากใจ นั่นญาติธรรมผมพูดในฐานะของคนไข้อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สามัญทั่วไปอาจจะเป็นความรู้สึกของเราก็ได้ที่เราในฐานะที่เป็นคนไข้มืออาชีพนะก็เลยมีความรู้สึกต่างๆที่จะมาแบ่งปันประยชน์ธรรมจะได้มีวิธีคิดมีการพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงตัวในการไปเยี่ยมใกล้ ถ้ า, ากว่าเราทําจิตทํากายทําวาจาดีๆแล้วเนี่ยคนไข้ก็มีความสุขและมีกําลังใจและคนที่ไปเยี่ยมไข้ก็พลอยจะมีความสุขและมีกําลังใจไปด้วยเท่ากับได้ประโยชน์เท <c oughs> ่ากับได้ประโยชน์ทั้งคนไข้และผู้ไปเยี่ยมไข้เลยทีเดียวพร้อมๆกันไปเลยพูดจบไปแล้วก็นึกได้ข้อหนึ่งเนี่ยสําคัญมากนะ เพราะว่าสิ่งนี้ก็มียติธรรมมาถามบ่อยๆว่าถ้าว่าเราไปเยี่ยมไข้กับคนไข้ที่ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยนอนนิ่งเตียงมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราจะช่วยเขาอย่างไรบ้างเราจะไปเยี่ยมเขาเฉยๆเนี่ยมันก็ดูจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรอยากจะช่วยคนไข้อันนี้ก็เห็นจะมีวิธีเดียว ก็คือมีหลายวิธีวิธีหนึ่งที่เราทาได้ไม่เหลือบาปฝาแลงก็คือเราต้องจับจับที่เท้าหรือที่มือก็ได้บีบเบาๆแล้วก็ส่งความรู้สึกออกไปจากใจความรู้สึกที่ปรารถนาดีคอยเข้าหายจากความทุก ข, ข์คอยเขามีความสบายใจคอยเข้าหายวันหายคืนส่งไปในความรู้สึกของเราเนี่ย คนไข้เขารับได้นะเขาจะรู้สึกกับจิตใจจิตต่อจิตที่สื่อถึงกันอยู่เนี่ยถ้าเราส่งความบัณฑนาดีไปเนี่ยคนไข้ก็รับได้แล้วขนานั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกหรือไม่เนี่ยแต่คนไข้อาจจะมีความสบายจิตสบายใจขึ้นมาก็ได้ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญกุศลสำหรับเราแล้วก็คนไข้เป็นในตัวอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะเนี่ยก็ฝากไว้อีกสักข้อหนึ่งครับ